อินทรีห้าเป็นอันบุคคลเจริญแล้วจเจริญดีแล้วด้วยอาการเท่าไรคืออินทรีห้าเป็นอันบุคคลจเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอาการสิบอย่างได้แก่ 1. สัตทินรีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วเพราะละละความไม่มีศร si> ัทธาดีแล้ว 2. ความไม่มีศรัทธาเป็นอันบุคคลละแล้วละดีแล้วเพราะเจริญเจริญสัตทินรีดีแล้ว 3. วิริยินศีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วเพราะละและความเกียรคร้านดีแล้ว 4. ความเกียรคร้านเป็นอันบุคคลละแล้วละดีแล้วเพราะเจริญเจริญวิริยินรีดีแล้ว 5. สตินศีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วเพราะละและความประมาทดีแล้ว 6. ความประมาตเป็นอันบุคคลละแล้วละดีแล้ว เพราะเจริญ เ, เจริญสตินีดีแล้วเจ็ดสมาธินีเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วเพราะละละอุทจจะดีแล้วแปดอุทจจะเป็นอันบุคคลละแล้วละดีแล้วเพราะเจริญเจริญสมาธินีดีแล้ว 9. ปัญญินีเป็นอันบุคลบคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วเพราะละและอวิชชาดีแล้ว อวิชาเป็นอันบุคคลละแล้วละดีแล้วเพราะเจริญเจริญปัญญียีดีแล้วอินทรีย์าเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยอาการสิบอย่างนี้อินทรีห้าอันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการเท่าไหร่อินทรีห้าเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วระงับแล้วและระงับดีแล้วด้วยอาการเท่าไหร่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 ในขณะแห่งอนาคามิผลอินรีห้าอันบุคคลย่อมเจริญในขณะแห่งอรหัตมักอินสีห้าเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วระ ง, งับแล้วระ ง, งับดีแล้วในขณะแห่งอรหัตผลมรฆาวิสุทธิสผลล ว, วิสุทธิสสมุเชเทวิสุทธิสปฏิปัสสติวิสุทธิสด้วยประการดังนี้ อินรีห้าอันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการสี่อย่างนี้อินรีห้าเป็นอันบุคคลเจริญแล้วเจริญดีแล้วระงับแล้วและระงับดีแล้วด้วยอาการสี่อย่างนี้บุคคลขี่จำพวกชื่อว่ากําลังเจริญอินรีย์บุคคลขี่จำพวกชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วเพื่อบุคคลแปดจำพวกชื่อว่ากําลังเจริญอินทรีย์ บุคคลสามจำพวกชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วบุคคลแปดจำพวกไหนชื่อว่ากําลังเจริญอินทรีย์คือพระเสขะบุคคลเจ็ดกลยาณปุถุชนหนึ่งบุคคลแปดจำพวกนี้ชื่อว่ากําลังเจริญอินทรีย์บุคคลสามจำพวกไหนชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วคือหนึ่งพระขีณาศพสาวกของพระตถาคตชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว เพราะรู้ด้วยอำนาจความเป็นผู้เจริญอินทรีย์แล้วสองพระประเจียวกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วเพราะมีสภาวะตรัสรู้เองสพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วเพราะมีสภาวะมีพระคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลสามจำพวกนี้ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคล8ปดจำพวกนี้ ชื่อว่ากำลังเจริญอินซีบุคคลสามจำพวกนี้ชื่อว่าเจริญอินซีแล้วสุตันตนิเทศที่หนึ่งจบสองทุติยสุตันตนิเทศแสดงสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีภิกษุทั้งหลายอินซีห้าประการนี้อินซีห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งจัดทินซี อินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสสตินทรีย์อินทรีย์คือสติ 4. สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิหปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาทิศุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษแห่งอินทรีย์ห้านี้ และเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นหาได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะหรือได้รับยกย่องว่าเป็นพรามในหมู่พรามไม่และท่านเหล่านั้นหาได้ทำให้แจ้งสามัญญผลและพรมัญญผลด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันไม่ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษแห่งอินทรีห้านี้และเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมทําให้แจ้งสามัญพจนและพรมัญญผล์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน อินซีห้ามีเหตุเกิดด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินซีห้าด้วยอาการเท่าไรอินรีห้ามีความดับด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรอินซีห้ามีคุณด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินซีห้าด้วยอาการเท่าไรอินซีห้ามีโทษด้วยอาการเท่าไร Kapı บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินจีห้าด้วยอาการเท่าไรอินจีห้ามีเครื่องสลัดออกด้วยอาการเท่าไรบุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากอินจีห้าด้วยอาการเท่าไรคืออินจีห้ามีเหตุเกิดด้วยอาการสี่สิบอย่างบุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินซีห้าด้วยอาการสี่สิบอย่างอินซีห้ามีความดับด้วยอาการสี่สิบอย่าง บุคคลรู้ชัดความดาบแห่งอินทรีห้าด้วยอาการสี่สิบอย่างอินทรีห้ามีคุณด้วยอาการ25้าอย่างบุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีห้าด้วยอาการ25้าอย่างอินทรีห้ามีโทษด้วยอาการ25อย่างบุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีห้าด้วยอาการ25้าอย่างอินทรีห้ามีเครื่องสลัดออกด้วยอาการ180ปอย่าง บุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากอินรีห้าด้วยอาการ180อย่างอินรีห้ามีเหตุเกิดด้วยอาการ40อะไรบ้างบุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินรีห้าด้วยอาการ40อย่างอะไรบ้างคือ1เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แห่ความน้อมใจเชื่อเป็นเหตุเกิดแห่งจัตถินรี์2 เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นเหตุเกิดแห่งสัจทินสีสามเหตุเกิดแห่งมนัิการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นเหตุเกิดแห่งสัจทินสีส 4. ่ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัจทินสีเป็นเหตุเกิดแห่งสัจทินสีห้าเหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์และการประคองไว้เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินรีหก เหตุเกิดแห่งชั้นทะด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์ 7. เหตุเกิดแห่งมนุษย์การด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์ 8. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินรีเป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์ 9. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์กัความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสติินรีย์ เหตุเกิดแห่งชั้นทะด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสีสิบเอเหตุเกิดแห่งมนุษย์การด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสีสองความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินสีเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสีบสาเหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แต่ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินสี สิเหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุเกิดแห่งสมาธิสี่สิบห้าเหตุเกิดแห่งมนุษย์การด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุเกิดแห่งสมาธิสี่สิบหความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธิสีเป็นเหตุเกิดแห่งสมาธิสี่สิบเจ็เหตุเกิดแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์แก่ความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญนสีสิบเหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็นเป็นเหตุเกิดแห่งปัญญีสีสิเกเหตุเกิดแห่งมัสาการด้วยอำนาจความเห็นเป็นเหตุเกิดแห่งปัญญนสียี่สิความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญนสีเป็นเหตุเกิดแห่ง ป, ปัญญีสียี่สเอ็เหตุเกิดแบบห่งความคามนึงถึงเพื่อประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสตินสียี่สิบสองเหตุเกิดแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์และการประคองไว้เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินรียี่สิบสาเหตุเกิดแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์และความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสียี่สิบสี่เหตุเกิดแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์และความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินสียี่สิบห้า เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แก่ความเห็นเป็นเหตุเกิดแห่งปัญญีสียี่สิบหเหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นเหตุเกิดแห่งสัตตินียี่สิบเจ็เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินรียี่สิบแเหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสัตตินียี่สิบเ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 สาเหตุเกิดแห่งมนุษย์การด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสีสาเหตุเกิดแห่งมนุิยการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุเกิดแห่งชมาทินสีสาเหตุเกิดแห่งมนุษย์การด้วยอำนาจความเห็นเป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินสีสามสิความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินสี Sind, ie, เป็นเหตุเกิดแห่งสัตทินสีสาสิบความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินสีเป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินสีสสิบแความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินสีเป็นเหตุเกิดแห่งสตินสีสิความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาทินสีเป็นเหตุเกิดแห่งสมาทินสีสี่สิบ ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญีรี่เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญีสี่อินทรีห้ามีเหตุเกิดด้วยอาการสี่สิบอย่างนี้บุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินทรีห้าด้วยอาการสี่สิบอย่างนี้อินทรีห้ามีความดับด้วยอาการสี่สิบอย่างอะไรบ้างบุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินทรีห้าด้วยอาการสี่สิบอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแห่งสัตทินสีสอความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแ่งสัตทินสีสาความดับแห่งมนัสการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแผงสัตทินสี่ 4. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัตทินสีเป็นความดับแ่งสัตทินสี 5. ความดับแผงความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แก่การประคองไว้เป็นความดับแผงวิริยินศรีหความดับแผงฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นความดับแผงวิริยินศรีเความดับแผงมนุษการด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นความดับแผงวิริยินทรีแความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินศรี เป็นความดับแห่งเวรียินทรีย์้าความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แต่ความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสติินรีย์ 10. ความดับแห่งชั้นทะด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสตินสีสิบเอ็ดความดับแห่งมนุษการด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสติินรีย์บสอง ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินรี์เป็นความดับแห่งสติินรีสิบสความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แต่ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นความดับแห่งสมาธินสีสิบสความดับแห่งฉั้นทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นความดับแห่งสมาธิินสีสิบห้ความดับแห่งมนัิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินี 16. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินีเป็นความดับแห่งสมาธินีสีเจความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยคน์และความเห็นเป็นความดับแห่งปัญญินีสิบความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็นเป็นความดับแห่งปัญญินีสิบเก้ ความดับแห่งมนัสการด้วยอำนาจความเห็นเป็นความดับแห่งปัญญินียี่สิบความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญีสีเป็นความดับแห่งปัญญีสียี่สิบเอ็ดความดับแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์แต่ความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแห่งสัจทินสียี่สความดับแห่งความคํานึงถึงเพื่อประโยชน์แต่การประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์่สิความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แห่ความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสติินรียี่สิความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แห่ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นความดับแห่งสมาธินรียี่สิความดับแห่งความคำนึงถึงเพื่อประโยชน์แห่ความเห็นเป็นความดับแห่งปัญญินรียี่สิ ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแห่งสัตตินียี่สิบเความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นความดับแห่งวิริยินียี่สิบความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสตตินียี่สิบความดับแห่งชันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นความดับแห่งสมาธินรี สาความดับแห่งชันทะด้วยอำนาจความเห e ็นเป็นความดับแห่งปันยินรีสามสิความดับแห่งมนัสการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อเป็นความดับแห่งสัตินสีสามสความดับแห่งมนัสการด้วยอำนาจการประคองไว้เป็นความดับแห่งวิริยินรีสามสความดับแห่งมนัสการด้วยอำนาจความตั้งมั่นเป็นความดับแห่งสตินรี 34. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่านเป็นความดับแห่งสมาถินีสามความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความเห็นเป็นความดับแห่งปัญญีนีส 36. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัตทินีเป็นความดับแห่งสัจทินีสสิบเความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิรินี เป็นความดับแห่งวิริยินศรียามความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินศรีเป็นความดับแห่งสตินรียามิความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินศรีเป็นความดับแห่งสมาธินศรีสี่สิความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญินศรีเป si. ็นความดับแห่งปัญญินศรี อินซีห้ามีความดับด้วยอาการ40อย่างนี้บุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินซีห้าด้วยอาการ40อย่างนี้ก็อาสาทานิเทศแสดงคุณแห่งอินซีห้า อินทรีห้ามีคุณด้วยอาการ25้าอย่างอะไรบ้างบุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีห้าด้วยอาการ25อย่างอะไรบ้างคือ 1. ความไม่ปรากฏแห่งความไม่มีศรัทธาเป็นคุณแห่งสัตทินสีสความ<ล>ไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธาเป็นคุณแห่งสัตทิน4ีสาความเกล้ากล้าแห่งความประพฤติด้วยความน้อมใจเชื่อเป็นคุณแห่งสัตถินสี ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรมเป็นคุณแห่งสัจทินรีย้าสุขโสมนัตที่อาศัยสัจทินรีเกิดขึ้นเป็นคุณแห่งสัจทินรีห 6. ความไม่ปรากฏแห่งความเกียครั้นเป็นคุณแห่งวิริยนินรีเจ็ดความไม่ปรากฏแห่งความร่าร้อนเพราะความไม่เกียคร้้นเป็นคุณแห่งวิรยยิยินรีย์ 8. ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติเพื่อการประคองไว้เป็นคุณแห่งวิริยนินทรีย์ 9. ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรมเป็นคุณแห่งวิริยนินทรีย์ 10. สุขสมณัตที่อาศัยวิริยนินทรียเกิดขึ้นเป็นคุณแห่งวิริยนินทรีย์ 11. ความไม่ปรากฏแห่งความประมาทเป็นคุณแห่งสตินทรียิบสความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะเหตุแห่งความประมาท เป็นคุณแห่งสตินีสิ 13. ความแกล้ากล้าแห่งความประพฤติด้วยความตั้งมั่นเป็นคุณแห่งสตินีสิบสี่ 14. ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรมเป็นคุณแห่งสตินีสิ 15. สุขโสมนัต ท, ที่อาศัยสตินีเกิดขึ้นเป็นคุณแห่งสตินีสิ 16. ความไม่ปรากฏแห่งอุทจจะเป็นคุณแห่งสมาเินี สิความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทัจจะเป็นคุณแห่งสมาธิสี่สความเกล้ากล้าแห่งความประพฤติด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเป็นคุณแห่งสมาธิสี่สความสงบและบรรลุสุขวิหารธรรมเป็นคุณแห่งสมาธิสี่ี่สสุขโสมนัณที่อาศัยสมาธิสี่เกิดขึ้นเป็นคุณแห่งสมาธิสี่ี่ส ความไม่ปรากฏแห่งอวิชชาเป็นคุณแห่งปัญญนสียี่สิบสองความไม่ปราก yani ฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอาวิชชาเป็นคุณแห่งปัญญนสียี่สิบสามความ ก, ล, กล้าหาแห่งความประพฤติเกี่ยกความเห็นเป็นคุณแห่งปัญญีสียี่สิบสี่ 24. ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรมเป็นคุณแห่งปัญญนสียี่สิบห้า สุคสมมนัสที่อาศัยปัญญนสีเกิดขึ้นเป็นคุณแห่งปัญญนสีอินทรีห้ามีคุณด้วยอาการ25อย่างนี้บุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีห้าด้วยอาการ25อย่างนี้ขออาชีนวะนิเทศแสดงโทษแห่งอินทรีห้าอินทรีห้ามีโทษเพราะอาการ25อย่างเป็นอย่างไร บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีห้าเพราะอาการยี่สห้าอย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่งความปรากฏแห่งความไม่มีศรัทธาเป็นโทษแห่งสัตทินรีสองความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธาเป็นโทษแห่งสัตทินรีสมสัตทินรีมีโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยง 4. สสัตทินรีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ห้า ชทินซีนมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 6. ความปรากฏแห่งความเกียดคร้อนเป็นโทษแห่งวิรีนสี 7. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความเกียดคร้อนเป็นโทษแห่งวิรีนซี 8. วิรีินซีมีโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยง 9. วิรีินซีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ วิริยินซีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตาสิบอ็ดความปรากฏแห่งความประมาทเป็นโทษแห่งสตินซีสิบสองความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความประมาทเป็นโทษแห่งสตินซีสิบสาสตินซีมีโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยงสิบสี่สตินซีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์สิบห้า สมาธินีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตาสิบหความปรากฏแห่งอุทจจะเป็นโทษแห่งสมาถินีสิบเจ็ดความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทจจะเป็นโทษแห่งสมาถินรีสิบแปดสมาถินรีมีโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยงสิบเกสมาถินรีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ยี่สิบ สมาทินรีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตายี่สิบเอ็ดความปรากฏแห่งอวิชชาเป็นโทษแห่งปัญญินรียี่สิบสองความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอวิชชาเป็นโทษแห่งปัญญินรียี่สิบสามปัญญินรีมีโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยงยี่สิบสี่ปัญญินรีมีโทษเพราะมีสภาวะเป็นทุกข์ยี่สิบห้า ปัญญีรี์มีโทษเพราะมีสภาวะเป็นอนัตตาอินทรีห้ามีโทษเพราะอาการยี่สิห้าอย่างนี้บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีห้าเพราะอาการยี่สิห้าอย่างนี้ข้อนิจรณ น, นิเทศแสดงเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าอินทรีห้ามีเครื่องสลัดออกด้วยอาการร้อยแปดสิบอย่างเป็นอย่างไร บุคคลรู้ชักเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าด้วยอาการร้อยแปดสิบอย่างเป็นอย่างไรคือเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อสัจทินสีจึง 1. สลัดออกจากความไม่มีศรัทธา 2. สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธา 3. สลัดออกจากเหล่าเคเลที่เป็นไปตามความไม่มีศรัทธาและจากขัน 4. สลัดออกจากสรพนิมิตภายนอก 5. สลัดออกจากสัตทินซีที่มีอยู่ก่อนแต่การได้สัตทินซีที่ประณี ก, กว่านั้นเพราะมีสภาวะประคองไว้วิริยนซีจึง 1. สลัดออกจากความเกียดคร้าน 2. สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความเกียดคร้าน 3. สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามความเกียดคร้านและจากขัน 4. สลัดออกจากสัพนิมิตภายนอก 5. สลัดออกจากวิริย์รีซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้วิริย์สีที่ปราณี ก, กว่านั้นเพราะมีสภาวะตั้งมั่นสตินรีจึง 1. สลัดออกจากความประมาท 2. สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความประมาท 3. สลัดออกจากหล่าวกิเลส ท, ที่เป็นไปตามความประมาทและจากขัน 4. สลัดออกจากสรพพนิมิตภายนอก 5. สลัดออกจากสตินซีซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้สตินซีที่ปราณิสกว่านั้นเพราะมีสภาวะมีฟุ้งซ่านสมาธินซีจึง 1. สลัดออกจากอุทจฉะ 2. สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะอุทจฉะ 3. สลัดออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามอุทจฉะนั้นและจากขัน 4. สลัดออกจากสัพนิมิตภายนอก หสลัดออกจากสมาธินซีซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้สมาธินีที่ปราณีตกว่านั้นเพราะมีสภาวะเห็นปัญญินีจึงหนึ่งสลัดออกจากอาวิชชาสองสลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะอาวิชชาสสลัดออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามอาวิชชาและจากขันสี่สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอกห สลัดออกจากปัญญีสี่ซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้ปัญญีรี่ที่ปราณี ก, กว่านั้นด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินรีห้าในศูนย์เบื้องต้นด้วยอำนาจแห่งทุติยฌานอินสีห้าจึงสลัดออกจากอินสีห้าในปฐมฌา น, นด้วยอำนาจแห่งตติยฌานอินสีห้าจึงสลัดออกจากอินรีห้าในทุติยฌาน ด้วยอำนาจแห่งจตุทชานอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในตติยชาญด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจายตนะสมาบัติอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินทรียห้าในจตุทชานด้วยอำนาจแห่งวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติ อินสี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในวิญญาณัญจายตนสมาบัติด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติอินรี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในอากินัญญายตนสมาบัติด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนาอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติ ด้วยอำนาจแห่งทุกขานุปัสสนาอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินรีห้าในอนิจจานุปัสสนาด้วยอำนาจแห่งอนัตตานุปัสสนาอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินรีห้าในท <ve> ุกขานุปัสสนาด้วยอำนาจแห่งนิพพิทานุปัสสนาอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินรีห้าในอนัตตานุปัสสนาด้วยอำนาจแห่งวิราคานุปัสสนา อินสี่ห้จึงสลัดออกจากอินรียห้าในนิพ Napoleon. ิทานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งนิโรทานุปัสนาอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในวิราคานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งปฏินิสักคานุปัสนาอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในนิโรทานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งขยานุปัสนา อินสี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในปฏินิสักลานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งวยานุปัส น, นาอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินทรียห้าในขยานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งวิปริณามานุปัสนาอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินทรียห้าในวยานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งอนิมิตานุปัสนา อินทรี่ห <trong os ông> ้าจึงสลัดออกจากอินทรี่ห้าในวิปริณามานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งอปะนิหิตานุปัสนาอินรี arem, ่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในอนิมิตานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งสุญญตานุปัสนาอินรี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในอปะนิหิตานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งอธิปัญญาธรรมวิปัสนา อินสีห้าจึงสลัดออกจากอินร mm ีห้าในสุญตานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งยะถาภูตยานทัศนะอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินทรีห้าในอธิปัญญาธรรมวิปัสนาด้วยอำนาจแห่งอทีนวานุปัสนาอินรีห้าจึงสลัดออกจากอินทรีห้าในยถาภูตยานทัศนะด้วยอำนาจแห่งปฏิสังคานุปัสนา อินสีห้าจึงสลัดออกจากอินสี่ห้าในอาทินวานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งวิวัตนานุปัสนาอินสียห้าจึงสลัดออกจากอินสียห้าในปฏิสังขานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งโสดาปฏิมัก sure. อินสียห้าจึงสลั life life. ดออกจากอิ น, อนสียห้าในวิวัตนานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งโสดาปฏิผลและสมาบัต อินรีห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในโสดาปฏิมักด้วยอำน า, านจแห่งสกะทาคามิมักอินรี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในโซดาปฏิผลด้วยอำน า, านจแห่งสกะทาคามิผลลสมาบัตอินรี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรี่ห้าในสกะทาคามิมักด้วยอำนาจแห่งอนาคามิมัก อินสีห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในสกทาคามิผลและสมาบัตด้วยอำนาจแห่งอนาคามิผลและสมาบัตอินรี่ห้าจึงสลัดออกจากอินรียห้าในอนาคามิมักด้วยอำนาจแห่งอรหัตมักอินรียห้าจึงสลัดออกจากอินรี่ห้าในอนาคามิผลด้วยอำนาจแห่งอรหัตผลและสมาบัต อินสี่ห้จึงสลัดออกจากอินรียห้าในอรหัตมักอินรียห้าในเนกขมมะสลัดออกจากกามฉันทะอินรียห้าในอภิยาบาทสลัดออกจากพยาบาทอินรียห้าในอโลกสัญญาสลัดออกจากถีนมิทะอินรี่ห้าในอวิคเขปะสลัดออกจากอุทจักอินรียห้าในธรรมา ว, วัฏฐาน สลัดออกจากวิจิกิจชาอินสีห้าในญาณสลัดออกจากอวิชาอินสีห้าในปามุชะสลัดออกจากอารติอินรีห้าในปถมชาญสลัดออกจากนิวรอินสีห้าในทุติยชาญสลัดออกจากวิตกวิจา์อินสีห้าในตติยชาญสลัดออกจากปีติ อินสีห้าในจตุทชาญสลัดออกจากสุขและทุกขอินสีห้าในอากาสานัญจาตนะสมาบัติสลัดออกจากรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานาณาตสัญญาอินสีห้าในวิญญาณัญจาตนะสมาบัติสลัดออกจากอากาสานัญจาตนะสัญญาอินสีห้าในอาคิญจัญญาตนะสมาบัติสลัดออกจากวิญญาณัญจาตนะสัญญา อินรียห้าในเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัตสลัดออกจากอากินจัญญาญาตนะสัญญาอินรีห้าในอนิจจานุปัสนาสลัดออกจากนิจจสัญญาอินรีห้าในทุกขานุปัสนาสลัดออกจากสุขสัญญาอินรีห้าในอนัตานุปัสนาสลัดออกจากอัตตสัญญาอินรียห้าในนิพิทานุปัสนา สลัดออกจากนันธิอินรียห้าในวิราคานุปัสสนาสลัดออกจากราคะอินรียห้าในนิโรธานุปัสสนาสลัดออกจากสมุทัยอินรียห้าในปฏินิสคานุปัสสนาสลัดออกจากอาทานะอินรียห้าในขยานุปสัสสนาสลัดออกจากคณะสัญญาอินรียห้าในวยานุปัสสนา สลัดออกจากอายุหณนะอินรียห้าในวิปรินามานุปัสนาสลัดออกจากทุวสัญญาอินรียห้าในอนิมิตานุปัสนาสลัดออกจากนิมิตอินรี่ห้าในอนปนิหิตานุปัสนาสลัดออกจากปณิธิอินรี่ห้าในสุญญาตานุปัสนาสลัดออกจากอภินิเวศ อินสีห้าในอาิปัญญาธรรมวิปัสนาสลัดออกจากสาราธานาพินิเวศอินสี่ห้าในยะถาภู ต, ตยานัทสนะสลัดออกจากสามโมหาพินิเวศอินสีห้าในอาทินวานุปัสนาสลัดอ อ, ออกจากอาลยาพินิเวศอินสี่ห้าในปฏิสังขานุปัสนาสลัดออกจากอภปฏิสังขา อินสี่ห้าในวิวัตนานุปัสนาสลัดออกจากสัญโยคาพินิเวศอินสี่ห้าในโสดาปฏิมักสลัดออกจากกิเลสซึ่งอยู่ร่วมกันกับทิฐิอินสี่ห้าในสกทาคามมมักสลัดออกจากกิเลสอย่างหยาบอินสี่ห้าในอนาคามมมักสลัดออกจากกิเลสอย่างละเอียดอินสี่ห้าในอรหัตมักสลัดออกจากกิเลสทั้งปวง อินทรีห้าในธรรมนั้นนั้นอันพระขีนาศพทั้งปวงสลัดออกได้แล้วสลัดออกดีแล้วระงับแล้วและระงับดีแล้วอินทรีห้ามีเครื่องสลัดออกด้วยอาการร้อยแปดสิบอย่างนี้บุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าด้วยอาการร้อยแปดสิบอย่างนี้สุตตันตนิเทศที่สองจบปฐมมาพานวาระจบ ติยะสุตันตานิเทศแสดงสูตรที่สเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวาทีภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ1สัตตินรียอินทรียคือสัทธา 2. วิริยนินทรียอินทรียคือวิริยะ 3. สตินรีอินทรีคือสติ 4. สมาธินีอินทรียคือสมาธิ ห้าปัญญีสี่หินรียคือปัญญาพิสุทั้งหลายพึงเห็นจัตถินรียได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในโสตาปฏิังคะสีพึงเห็นจัตถินรียได้ที่นี้พึงเห็นวิริยินรียได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสัมมาประธานสีพึงเห็นวิริยินรียได้ที่นี้พึงเห็นสัตถินรียได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสติประธานสีพึงเห็นสัตถินรียได้ที่นี้ พึงเห็นสมาธินีได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในฌานสี่พึงเห็นสมาธินีได้ที่นี้พึงเห็นปัญญินีได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในอริยสัจสี่พึงเห็นปัญญินีได้ที่นี้ด้วยอำนาจแห่งสัจทินี่ในโสตาปฏิยังคะสี่พึงเห็นอินรียห้าด้วยอาการเท่าไรด้วยอำนาจแห่งวิริญสีในสัมปทานสี่ พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรด้วยอำนาจแห่งสตินีในสติปัฏฐานสีพึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรด้วยอำนาจแห่งสมาธินีในฌานสี่พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรด้วยอำนาจแห่งปัญญีในอริยสัจสีพึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรคือด้วยอำนาจแห่งสัทินีในโสตปฏิยังคะสี่ พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างด้วยอำนาจแห่งวิรีอินทรีย์ในสัมปทานสี่พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างด้วยอำนาจแห่งสติินทรี์ในสติปฐานสพึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีในฌานสี่พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจสี่ พึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างวงเล็บหนึ่งพระเภทคณนณนิเทศแสดงอินทรีย์ตามหมวดธรรมต่างๆด้วยอำนาจแห่งสัจทินสีในโสตาปฏิยังคะสีพึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรคือพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการคบสัตจปรุษ และด้วยอำนาจแห่งสัตทินรีพึงเห็นวิรีสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัตทินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาทินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัตทินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการฟังสัจธรรมของสัพปรุษ พึงเห็นสัจทินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยัคะคือการมนัษย์การโดยอุบายแยกคายพึงเห็นสัจทินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยัคะคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและด้วยอำนาจแห่งสัจทินรีพึงเห็นวิริยินรีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัจธินรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินีเพราะมีสภาวะเห็นด้วยอำนาจแห่งจัตถินีในโสตาปฏิยังคะสีพึงเห็นอินีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งวิรินีในสัมพทานสีพึงเห็นอินีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรเพื่อพึงเห็นวิรินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในการประคองไว้ในสมประทานเพื่อการไม่ทําบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและด้วยอํานาจแห่งวิรินีพึงเห็นสตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาตินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญีนีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัดตินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิรินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในการประคองไว้ในสัมมาประทานคือการละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพึงเห็นวิริยินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ในสัมมาประทานเือการทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพึงเห็นวิริยินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ในสัมมาประทานคือความดารงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่ แห่งภูสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำนาจแห่งวิรีอินทรีพึงเห็นสติอินทรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาทินทรีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินทรีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัจทินทรีเพราะมีสภาวะน้อมไปด้วยอำนาจแห่งวิรีอินทรีในสมประทานสีพึงเห็นอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ ด้วยอำนาจแห่งสตินสีในสติปฐานสีพึงเห็นอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรคือพึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกายและด้วยอำนาจแห่งสตินสีพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยินรีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสติน4ีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นจิตในจิตพึงเห็นสตินสี เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายและด้วยอำนาจแห่งสตินสีพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุง้งซ่านพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว ด้วยอำนาจแห่งจิตินสีในสติปฐานสีพึงเห็นอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งสมาถินรีในฌานสีพึงเห็นอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรคือพึงเห็นสมาถินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านในปฐมฌานและด้วยอำนาจแห่งสมาถินสีพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสตถินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสตถินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านในทุติยชาญพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านในตติยชาญพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ฟุ้งซ่านในจัตุทชาญและด้วยอำนาจแห่งสมาธินสีพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัตทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิรยิน4ีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งสมาธินสีในฌานสีพึงเห็นอินสีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ ด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีในอริยสัจสี่พึงเห็นอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรคือพึงเห็นปัญญีสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจเคือทุกข์และด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัจตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญีนีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขสมุทัยพึงเห็นปัญญีนีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขนิโรธพึงเห็นปัญญีนีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทา และด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นเวรีนสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาทินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีในอริยสัจสีพึงเห็นอินสีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้วงเล็บสองจริยวาระ วาระว่าด้วยความประพฤติด้วยอำนาจแห่งสตินสีในโสตาปฏิังพระสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไรด้วยอำนาจแห่งวิริยินรีในสมประทานสีด้วยอำนาจแห่งสตินสีในสติปทานสีด้วยอำนาจแห่งสมาธินรีในฌานสีด้วยอำนาจแห่งปัญญินรีในอริสสสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการเท่าไร ด้วยอํานาจแห่งสัตทินสีในโสตาปฏิยังคะสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาคารยี่สิบอย่างด้วยอํานาจแห่งวิริีสีในสั ม, มปทานสีด้วยอํานาจแห่งสตินสีในสติปทานสีด้วยอํานาจแห่งสมาธินสีในฌานสีด้วยอํานาจแห่งปัญญินรีในอริยสัจสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินรีห้าด้วยอาคารยี่สิบอย่าง ด้วยอำนาจแห่งสัตทินสีน 4, ในโสตาปฏิยังคะสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรคือพึงเห็นความประพฤติแห่งสัตทินสเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการคบหาสัตบุรุษและด้วยอำนาจสัตทินสีพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญีนีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นความประพฤติแห่งสัินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการฟังธรรมของสัจรุษพึงเห็นความประพฤติแห่งสัินี เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการมนุษย์การโดยอุบายแยบถ่ายพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อในโสตาปฏิยังคะคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและด้วยอำนาจสติน 4, พีพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาทินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินรียเพราะมีสภาวะเห็นด้วยอำนาจแห่งสัจทินสีในโสตาปฏิยังคสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งวิรินทรีย์ในสัมมาประธานสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไร เพื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความประคองไว้ในสัมมประธานคือการไม่ทำบาปอกุโลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและด้วยอำนาจแห่งวิริยินสีพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นความประพฤติแห่งจัตถินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ในสมประทานคือการละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ในสมประทานคือการทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ในสมประทานคือความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำนาจแห่งวิริยินศรีย์พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินศรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นความประพฤติแห่งสัจทินศรีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีในสมประทานสี่พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้